สำหรับพวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ต้องย้ำว่าทุกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องรู้ทุกนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละเพราะถ้าเรารู้ทุกแล้วนี่เราก็จะสาวไปถึงตัวต้นเหตุหรือสมุทัยได้ถ้าไปละมันเสร็แล้วหรือไปขจัดมันเสร็แล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าจะสาวไปถึงตัวตัวสมุทัยได้ยังไง ถ้าเปรียบอย่างชัดๆก็เหมือนกับว่ามันมีมือปืนกับผู้จ้างวา น, นจับมือปืนได้แต่ว่าตัดตอนซะก่อนก็รบสาไปถึงผู้จ้างวานไม่ได้อันนี้พูดแบบชัดๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันก็คือว่าถ้าเรารู้ทุกแล้วนะมันก็สาไปสู่ตัวลากตัวการตัวที่เป็นสาเหตุ หรือสมุทัยได้อันนี้เป็นกิจในลิขิตข้อแรกเลยนะการรู้ทุกข์เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วเราก็ไม่เป็นทุกข์แล้วการรู้ทุกข์กับการเป็นทุกข์นี่มันต่างกันที่เป็นเพราะไม่รู้แต่เมื่อรู้แล้วก็ไม่เป็นตอนนี้การรู้ทุกข์นี่ก็มีความหมายหลายแง่หลายในอย่างที่ได้เคยเล่าไว้ความหมายอย่างแรกแล้วคือว่ารู้ว่าทุกข์นี่คืออะไร คือเกิดแก่เจ็บตายความโศกความลำลายลาพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคอบแค้นใจเป็นต้นอันนี้มาเป็นการรู้ด้วยความคิดคือท่องจำเอาก็ยังได้ว่าเป็นสัญญาก็ได้แต่ว่ารู้ในแง่ที่ลึกลงไปคือว่ารู้ทุกเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อทุกเกิดขึ้นกับเราก็รู้ทันทีไม่ใช่ไปจมอยู่บความทุกข์จนหลง ถูกความทุกข์ชักลากพาไปปกรอก็ยังไม่รู้ว่าโกรธเจ้ก็ยังไม่รู้ว่าเครียดเพราะว่ามันไปกดไออาการเหล่านั้นพอเข้าไปในความทุกข์แล้วมันเข้าไปกดไ อ, อความไม่รู้ตัวเอาไว้เมื่อใดที่โกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธเมื่อใดที่เครียดก็รู้ว่าเครียดอันนั้นแหละก็ถูกทางแล้วอันนี้ลึกลงไปก่านนั้นหรือว่าละเอียดลงไปก่านนั้นก็คือรู้ ว่าทุกข์นั้นมันเกิดกับกายกับใจหรือเกิดกับขันธ์หคือหมายความว่ามันไม่ได้เกิดกับเราสิ่งที่ทุกข์นั้นคือขันธ์หคือกายและใจที่ทุกข์มไม่ใช่เราทุกข์อันนี้ก็ต้องใช้สติเหมือนกันเหมือนกับการที่รู้ทุกข์ทันทีที่มันเกิดขึ้นอันนี้ต้องใช้สติ แล้วถ้าใช้สติเฝ้าดูโดยที่ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์เสียเอง mm. ก็จะเห็นได้เป็นลําดับหรือชัดขึ้นเรื่อยๆว่า mm. ไอ้ที่ทุกเนี่ยไม่ใช่เราทุกแต่ว่ากายกับใจหรือว่าขันตั้งห้าต่งางๆที่ทุกความทุกมันเกิดขึ้นกับขันตั้งห้าไม่ได้เกิดขึ้นกับเราอันนี้หลวงพ่อคำคือเรียกว่าเป็นการถลุงถลุงก็คือแยกแยะคนทั่วตัวไป เวลาทุกข์เกิดขึ้นก็ไปเหมาเลยว่าเราทุกข์ไปยึดเอาความทุกข์เป็นของเราบา ง, งที่มันไม่น่าจะยึดเลยไม่น่ามีหน้าเอาอยู่แล้วแต่พราะไม่มีสตินั่แหละถึงไปเหมาอย่างนั้นแต่เมื่อถลุงหรือแยกจ้อยไปก็จะเห็นวนะ่าเออไม่ใช่เรานะที่ทุกข์กายและใจหรือขันทั้ง5ต่างๆที่ทุกข์การพิจรารณาเช่นนี้หรือการเห็นอย่างนี้ก็ทําให้สิ่งที่ เป็นตัวเป็นตนคือสิ่งที่เราเรียกว่าเราเนี่ยหรือตัวกูเนี่ยมันก็ไม่มีทิศตั้งถ้าเราเห็นอย่างนี้ เ, นเห็นว่าทุกข์นั้นมันเกิดกับกายกับใจหรือเกิดกับขันทั้ง5 ห, หรือเกิดกับรูป ก, กับนามมันก็ไม่มีตัวเราที่จะเป็นผู้ทุกข์อันนี้ที่อยากจะเพิ่มเป็นหน้อยคือว่าเมื่อเรา รู้ไปละเอียดขึ้นก็จะเห็นก็จะรู้ว่าทุกนั้นเนี่ยมันก็แสงอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าสุขด้วยทุกนั้นแสงอยู่ในสุขมันไม่ได้แยกจากกันสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเป็นสุขหรือความสุขเนี่ยมันก็มีทุกแสงอยู่ความยินดียงที่เราเพลิดเพลินมันก็เจือไปด้วยทุกหมายความว่า มันไม่อาจจะเที่ยงหรือยั่งยืนไปตามใจเราได้อันนี้เป็นทุกประการแรกเลยในสุขคือมันแปลเปลี่ยนมันมีการเสื่อมมันมีการดับไปมันไม่สามารถที่จะเป็นไปตามใจเราได้แล้วพอมันดับไปพอมันเสื่อมไปถ้าเรายังไปยึดกับสุขนั้นอยู่ไปยึดกับความยินดีนั้นอยู่คราวนี้แหละ เราก็จะทุกข์เลยเช่นปฏิบัติแล้วเกิดสงบขึ้นมาเกิดความโปร่งโล่งขึ้นมาแล้วเราไปยึดว่าอย่างนี้แหละปฏิบัติต้องอย่างนี้แหละแล้วพอวันต่อมาไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ทุกข์เลยว่าทําไมมันถึงไม่เกิดขึ้นทำเท่าไหร่ทำไหรก็ไม่เกิดก็เพราะพยายามทำ เพราะความตั้งใจนั่นแหละมันถึงไม่เกิดยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้อันนี้มันเป็นความจริงเหมือนกับโลกเล่นตลกยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากถึงยิ่งถึงช้ายิ่งไม่ถึงกับถึงเร็วยิ่งอยากรวยก็กลับยิ่งรู้สึกจนยิ่งอยากสวยก็ยิ่งสวตัวเองนีไม่สวยยิ่งกลับรู้สึกว่าตัวเองน่าเกลียดคนที่ยิ่งอยากสวยก็ยิ่งสวยตัวเองนี้มันมีความไม่สวยเต็มไปหมด อันนี้มันเป็นความจริงทั้งในทางโลกและทางธรรมยิ่งทางทรรมก็ยิ่งชัดเจนอันนี้เขาเรียกว่าสุขมันเจอไปด้วยทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเสือ่อมมันดับแล้วมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้เมื่อเราไปยึดมันเหมือนกับว่าในเหยื่อที่ปานี่ฮุบกินเนี่ยมันอร่อยก็จริงแต่ว่ามันก็มีเบ็ดซ่อนอยู่ พอฮุบเข้าไปไอ้เบ็ดนั่นมันก็มาแทงปากปลาทันทีเพราะว่าไปฮุบหรือไปงับอย่างไม่มีสติก็ว่าได้คือลืมลืมหูลื ม, ล ม, ลมตามงับนะมันก็เลยโดนเบ็ดมันแทงเอาทุกที่แฟงอยู่ในสุขก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อเราไปเพลิดเพลินยินดีกับอะไรก็ตามก็เตรียมใจทุกไว้ได้เลย เพราะว่ามันจะไม่ยอมเป็นไปตามใจเราของหายไปบ้างเสียไปบ้างมีคนเอาไปบ้างหรือแม้แต่ว่าไม่มีใครเอาไปหรือแม้แต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอยู่ไปนานๆานก็ชักเบื่ออาหารที่อร่อยเรากินไปนานๆกินทุกวันทุกวันกินทุกมือทุกมือในรสชาติยังเหมือนเดิม แต่ความอร่อยมันหายไปแล้วก็ ค, ค่อยหายไปกลายเป็นความเฉยๆแล้วกลายเป็นความเบื่อ้จากความเบื่อกลายเป็นความเอียนจากความเอียนเงนสุดก็อาเจียนออกมาอยากจะอ้วกเพราะมันซ้ำซากจำเจอันนี้แหละเรียกว่าทุกข์ที่มันแสงอยู่ในสุขเพลงที่เพราะฟังไปฟังไปความภัยล้กก็ค่อยๆจางไปจางไปเพลงเดิมนั่นแหละแต่ความรู้สึกเราเปลี่ยนไปจากสุขก็ค่อยกลายเป็นทุกข์ละ อิเลียบ ท, ที่เราคิดว่าสบายที่สุดเนะี่อิเลียบทไหนก็ตามพอไปอยู่ในอิเลียบนั้นนานๆในสุดมันก็จะเริ่มเมื่อยแม้แต่นอนก็นอนไม่ได้นาน9กชั่วโมงสิบชั่วโมงก็ไม่ไหวแล้วต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งแล้วก็สบายแต่สบายไม่นานก็กลายเป็นเมื่อยอย่างเรานั่งอยู่ในท่ากัษมาร์เนี่ยก็รู้สึกเมื่อย อยจะพิงเสาหรือพิงพนักเพราะคิดว่าสบายแต่ลองพิงไป น, น, นานๆให้ความเมื่อยก็แสดงตัวออกมาความทุกข์ก็เริ่มปราปกฏมันอยู่ในนั้นแหละมันอยู่ในนั้นตั้งแต่แรกแล้วแต่มันไม่แสดงตัวมันค่อยๆแสดงตัวออกมาอันนี้เรียกว่าทุกข์ที่แฝงอยู่ในสุขเมื่อมีคนชมเราสรรเสริญเราเราก็มีความปลืม้มอันนี้ก็สุข แต่ว่าถ้าเสียงสารเสลดมันหมดไปเมื่อไหร่หรือว่าเขาไม่ชมเราไม่นึงถึงทัานตาหนิเพียงแค่ไม่ได้ชม่วันก่อนนี่วันนึงก็ชมเราแต่วันนี้ไม่ชมพอไม่ชมเราแค่นี้แหละก็เหมือนกับตกลงมาที่เคยลอยอยู่บนบนอากาศก็ตกลงมามันก็เจ็บยิ่งลอยสูงมากเท่าไหร่ก็เวลาตกลงมาก็เจ็บมากเท่านั้น ถ้าไม่อยากเจ็บก็อย่าลอยขึ้นสูงเพราะฉะนั้นพระพงษ์ก็เลยแนะก็เลยสอนว่าอย่าไปยินดีอย่าไปยินดีกับสุขเวทนาเพราะถ้าไปยินดีกับสุขเวทนาแล้วพอมันเสื่อมไปพอมันหายไปเราก็จะทุกข์เหมือนกับลอยอยู่บนอากาศยิ่งสูงเท่าไหร่ตกมาก็ยิ่งเจ็บวิธีที่จะไม่เจ็บก็คือว่าอยู่บนพืช น, นั่นแหละ คือตั้งใจตั้งวางจิตให้อยู่ในบนความปกติเพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะลอยอยู่บนฟ้าได้นานๆสักวันหนึ่งก็ต้องลงมาเมื่อเครื่องบินนะ่ไม่ว่าจะบินสูงแค่ไหนในสุดก็ต้องลงพื้นสำคัญว่าจะลงอย่างไรลงแบบนิ่มหรือว่าลงแบบกระแทกคนที่ไม่มีสติหรือไม่มีปัญญารู้ทันความจริงนะก็จะ ก็จะปล่อยใจให้เพลินไปกับสุขเวทนาหรือว่าอิทาลมธาลุมก็คืออารมณ์ายบวกหรือว่าที่เราเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมายบวกคือได้ลาบได้ยศได้สารเสรรริญหรือว่าได้สุขก็จะเพลินเมื่อเพลินแล้วก็ยังไม่ระวังตัวไม่ได้ระลึกว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปเสื่อมไปแปลเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลามันแปรเปลี่ยนไปเสื่อมไปยนต์ตกลงมาก็เจ็บและยิ่งเจอสิ่งที่ตรงข้างเข้าไปอีกคือการตำหนิการติชิ้นหรือว่าการลักเอาทรัพย์เอายนตไปก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เราลองพิจารณาดูเถอะนะในความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจของเราแม้แต่ที่มันเป็นฝ่ายบวกก็ตาม เราไปเพลิดเพลินยินดีกับมันเมื่อไหร่ก็ก็เตรียมใจทุกไว้เพราะว่าพอมันหายไปเราก็จะอาลัยเราก็จะเสียดายอันนั้นแหละก็คือความทุกข์ที่แสดงตัวออกมาแล้วหลวงพ่อชาตัานเปรียบเหมือนกับว่าความทุกข์ก็คือหัวงูความสุข ก, ก็คือหางงูนจับหัวงูหัวงูก็กัดจับหางงูแป๊บเดียวมันก็แหวงเข้ามากัด จับหางงูคือไปไปยึดเอาความสุขไปยึดติดความสุขแต่ถ้าจับแล้วก็รีบปล่อยทันทีไม่ยึดติดเอาไว้อันนั้นก็ไม่เป็นไรงูแห้งกลับมากัดไม่ทันนั้นคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามนะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามก็ให้มีสติรู้ไว้อย่าไปยินดียินไายกับมันฝึกใจเอาไว้เพราะใจของเรามัน ชอบจะมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆไม่ไม่ชอบอยู่เฉยถ้ามีอารมณ์ฝฟบวกเกิดขึ้นก็เข้าไปคลอเคลียกับมันด้วยความเพลิดเพลินจะลืมตัวถ้ามีอารมณ์ายลบเข้ามาก็เข้าไปยามจะเข้าไปผลักใสแต่เสร็จแล้วก็ติดกับดักของมันหมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์เหล่านั้นอยากจะเข้าไปผลักใส แต่สุดท้ายก็ติดแน่นหรือหลุดเข้าไปในอารมณ์นั้นมันเหมือนกับเราคันน่ะคันแบบคันขยเอยเงี้ยไม่ใช่เหมือนกับคล้ายๆกับโดนไม่ใช่ยุงกัดแต่ว่าอาจจะเป็นเห็บหรือว่าหมัดนี่มันกัดมันจะคันแล้วคันแล้วอยากจะเข้าไปเกาเกาเพื่อแะไเพื่อจะให้ความคันมันหายไปแต่พอสุดท้ายออกเกาเข้าไป มันกลับยิ่งขันมากขึ้นและต้องเกาวให้หนักขึ้นมันติดพันทีแรกตั้งใจจะเกาวเพื่อให้มันหายคันแต่การเกาวนั่นเองกลับทําให้ขันมากขึ้นแล้วเข้าไปติดพันการเกานั้นมันจะรู้สึกมันด้วยซ้ํำอารมณ์ฝ่ายโลกก็เหมือนกันนะทีแรกเราก็เขอยากจะไปไปผักสายมันแต่สุดท้ายก็เข้าไปทัวพันนวนเนียยิ่งใหญ่จะเข้าไปผักสก็ยิ่งเข้าไปติดพันมากขึ้น อารมณ์ฝ่ายบวกก็เหมือนกันนะพอเข้าไปแล้วเนี่ยไปเพลิดเพลินกับมันแล้วก็หลุดออกมาไม่ได้แต่ว่าเมื่อมันหมดไปเมื่อมันเสื่อมไปดับไปนะก็จะทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากไม่อยากทุกข์ก็อย่าเข้าไปเพลิดเพลินนะกับกับอารมณ์ฝ่ายบวกอย่าเพลิปล่อยให้จิตฟูไปกับอารมณ์เหล่านั้น เพราะว่าสุขกับทุกข์ที่จริงมันก็เป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือถ้าไม่อยากอุกนะก็อย่าสุขมากหรืออย่าไปเผลอใจให้สุขมากคนมาถามว่าทําไงจะไม่ทุกข์เมื่อเวลาถูกคนเขาตําหนิหรือต่อว่าคาําตอบง่ายๆก็คือว่าเวลาเขาชมเ้าสรรเสริญก็อย่าสุขพอถ้าเขา สาละเสรินหรือว่าชมแล้วเราสุขขึ้นมามันก็ธรรมดาที่เราจะทุกข์เมื่อถูกตาหนิมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะมันเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนกับว่าทำไงถึงจะไม่ตกลงมาเจ็บอย่าลอยอย่าปล่อยตัวให้ลอยขึ้นสูงถ้าปล่อยตัวลอยขึ้นสูงอะไรมันก็ต้องตกลงมาเจ็บบันยังคำ มมันเป็นธรรมดาสุขกับทุกนี่มันเป็นของคู่กันเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือถ้าไม่อยากทุกข์ก็ไปเจออ น, นิจฐานลมก็อย่าไปสุขอย่าไปเผลิดจสุขเมื่อใจออิทธาลมไม่ว่าจะเป็นได้ลาบได้ยศหรือว่าสารเสริญหรือว่าสุขเวทนาก็ตามแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันเหมือนกับว่า ตาตรใดที่ยังมีมืออยู่ะนะมันก็ยังมีหน้ามือและหลังมือวันยังค่าถ้าไม่ชอบหลังมือแต่ถ้ายังมีมืออยู่ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ในธํานองเดียวกันไม่ชอบทุกข์อยากได้สุขมันก็เป็นไปไม่ได้และที่มันยังมีทุกข์อยู่เนี่ย มันก็เพราะว่ามันยังมีความรู้สึกสำคัญมา่หมายมาาว่าตัวเราอยู่เมื่อมีความสำคัญมา่หมายว่าตัวเราอยู่เนี่ยมันก็เหมือนก็มีมือถ้ามีมือเมื่อหไหร่ก็ต้องมีหลังมือและหน้ามือมันยังคำํำถ้ายังมีตัวเราอยู่มันก็ยังมีผู้สุขและผู้ทุกข์มันยังคำํำต่อเมื่อไม่มี มือเมืออ่อไหรไอ้หน้ามือหลังมือก็หมดไปแต่ทุกนองเดียวกันต่อเมื่อไม่มีตัวเราเมื่อไหรให้สุขรละทุกข์หรือผู้สุขแล้วพู้ทุกข์มันก็ไม่มีทางจะมีได้อันนี้มันกเน็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องมีปัญญามองให้เห็นด้วยเพราะว่าถึงที่สุดแล้วไอ้ที่ว่ารู้ทุกข์เนี่ยก็คือรู้ว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะยังมีความสําคัญว่าเรา ยังมีอยู่ความสําคัญว่าตัวฉันมีอยู่คือความยึดมั่นถือมันน่นในตัวตนถ้ามันยังมีอยู่เนี่มันก็มีผู้สุขและผู้ทุกข์อยู่วันยังค่าอันนี้ก็เป็นการรู้ทุกอย่างหนึ่งซึ่งเราก็ต้องเข้าใจมันก็เริ่มมาจากการที่เราเห็นเห็นสุขในทุกข เ, เมื่อเราเห็นสุขในทุกเราเราก็รู้เอาสุขกับทุกข์ที่มันคู่กันเริ่มแล้วเราก็รักษาใจใเป็นปกติคือไม่สุขเมื่อมี สุขเวทนาขึ้นอันนี้มันก็ช่วยทำให้ไม่ทุกข์เมื่อไอสุขมันแปรผันแต่เมื่อเรามีปัญญามากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าโอ้ไอตัวการจริงๆเนี่ยคือให้ความไปยึดถือว่ามีตัวเรานั่นเองเมื่อมีตัวเรามันก็มีเราผู้ทุกข์มันก็มีเราผูดสุขถ้าไม่ชอบไม่อยากให้เราเป็นผู้ทุกข์นะมันก็ต้องไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกแล้ว มันำเหมือนกับถ้าไม่ชอบหน้ามือคนก็ต้องไม่มีมือก็ถ้ามีมือมาแล้วก็ต้องมีหน้ามือแล้วก็หลังมือมัอนนั้นอันนี้ก็คือการที่เรารู้ทุกกระทั่งเห็นว่าโอ้ไอ้ทุกนี้มันตั้งอยู่ได้ก็เพราะมีเรามีเราเป็นผู้ทุกแต่สิ่งนี้อย่างนี้ก็ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้บรรลุธรรมขั้นสูงส็จ ก, ก่อนเวลาเราปฏิบัติขณะนี้ เวลาเราเห็นทุกข์มันปรากฏอยู่เบื้องหน้าแล้วมีสติรู้ไม่เข้าไปไม่เข้าไปในทุกข์นั้นเนี่ยไอ้ความเป็นผู้ทุกข์มันก็ไม่มีเห็นทุกข์แต่ไม่ใช่ผู้ทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นความโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธเห็นความเครียดแต่ไม่เป็นผู้เครียดอันนี้มันเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติอย่างมีสติในขณะนี้ในในทุกขณะก็ว่าได้ คือไม่ต้องรอให้บรรลุธรรมขั้นสูงเสียก่อนถึงจะประจักษ์ในสภาวะหรือในอาการดังกล่าวฉะนั้นคำว่าการเป็นผู้เห็นเนี่ยหรือว่าการเห็นเฉยๆเนี่ยสําคัญมากเห็นหรือรู้เห็นทุกข์รู้ทุกในความหมายที่ไม่ใช่ว่าทุกข์คืออะไรเท่านั้นแต่รู้ทุกเมื่อมันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วก็รู้ว่าทุกที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ได้เกิดขึ้นกับเรา เพราม่มีตัวเราตั้งแต่แรกตอนเนี้อันนี้แหละก็จะช่วยทําให้เราไม่เป็นผู้ทุกข์ได้เห็นทุกข์กับเป็นทุกขนี่มันต่างกันไกลามากเพราะไม่เห็นน่ะถึงเข้าไปเป็นแต่เห็นเมื่อไหร่มันก็ไม่เป็นเพราะว่าเรารู้ว่าทุกข์นั้นมันไม่ใช่เป็นตัวเราพระพุทธศาสนาสอนเนี่ยพูดถึงทุกข์อยู่เสมอไม่ใช่สอน เพราะว่าเห็นโลกในแง่ล้า ย, ายแต่สอนเพื่อให้เราดีกเลี่ยงจากการเป็นผู้ทุกข์แค่เห็นทุกข์เฉย